การปฏิบัติกรรมาฐานเข้มก็ผ่านไปแล้วนะกว่าสองอาทิตย์ใคยที่มาตั้งแต่วันแรกก็เท่ากับ ว, ว่าได้เจริญสติเป็นเวลาสิบห้าสิบหกวันเข้าไปแล้วถึงแม้ว่ายังจะเหลือเวลาอีก เกือบเดือนนะแต่ว่าก็อย่าไปคิดถึงวันเวลาที่เหลือให้มากนักนะอีกกี่วันถึงจะหมดคอร์สก็ช่างมันนยอย่าไปสดใจไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมาเือนนี้มัยังเปต้องรับทอยหลังด้วย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 แล้วพอหน้าตาบึบ้งหน้าใจมันก็บึ้งตามไปด้วยห่อเหี่ยวตามไปด้วยแต่ว่าทันทีที่เราฉีกยิ้มให้กับตัวเองนะในความบึง้งความเครียดมันก็จะค่อยๆทุเลาลงแม้จะยิ้มที่ใบหน้านะแต่มันก็ส่งผลถึงจิตใจนะใ น, ในทางตรงข้ามถ้าเราทำหน้าบึง้งเดี๋ยวใจเราก็จะค่อยก็ค่อยๆเครียดตามไปด้วย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 หลักการที่สำคัญนะของการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติแนวหลวงเทียนนะล้็แรกคือว่าเห็นนี่อยากพไปเป็นเห็นนี่ก็เป็นนี่มันต่างกันนะส่วนใหญ่นี่แยกไม่ออกทํทๆไปมันก็เข้าไปในความที่เข้าไปในอารมณ์ โดยพความเครียดกนะ็ไปในความเครียดการที่เห็นความเครียดเมื่อหลายปีก่อนก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะเธอมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้สัก3มสี่วันก็มาปรึกษาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกิน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 เห็นความกลัวก็มันก็ว่าเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแตเป็นผู้กลันี่มันก็คือเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยถูกไฟเผาความกรวัวความเครียดมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับนักปฏิบัติปฏิฆะความขัดใจสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากคราวนี้ถ้าเราเห็นไม่คอยไปเป็นนี่มันก็จะทําให้หลุด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 มีความหงุดหงิดเห็นมันก็วางใจเป็นกลางไม่ไปคล้องแวะ ก, กับมันไม่ไปกดข่มมันดูมันเฉยเฉยมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้การวางใจเป็นกลางนี่สำคัญมากเลยแต่เสียหกัปฏิบัติมีวางใจเป็นกลางได้ยากเพราะว่าตั้งทงเอาไว้แล้วว่าฉันต้องสงบ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 ก็จะพยายามผลักสายกดคมผลก็คือยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่ในทนองเดียวการยิ่งผลักสายเสียงที่ได้ยินยิ่งผลักมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งรังควาเรามากขึ้นเพราะทันทีที่เราไม่ชอบมันทันทีเที่เราผลักสายมันก็จะแปลว่าเราเปิดโอกาสให้มันมารังควาเราหนักขึ้นนะ ถ้ า, าวาังใจเป็นกลางมันก็ทําอะไรแล้วไม่ได้แต่พ่อไม่ระวังใจเป็นกลางเพราะความตั้งใจที่จะไปกดข่มมันผักไสมันกําจัดมัน <Yeah. S 1> ก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้ยิ่งจดจ่อใส่ใจมันมันหนักเข้าไปใหญ่เวลาเราอยากเราเราเกลียดเวลาเราชังไม่ชอบแล้วก็ตามเนี่ยแม้ใจอยากจะผักไสแต่ว่า ยิ่งผักสายใจก็ยิ่งจดจอ่อเสียงที่ดังใจไม่ชอบอยากจะผักมันไปแต่มันก็ยิ่งจดจ่อหนักเข้าไปใหญ่ทําให้เสียงนั้นดังขึ้นในความรู้สึก ข, ของเราบางทีเขาพูดเบาๆนะั่นแต่พอเราได้ยินใจเราก็จ่อเลยจ่อที่เสียงนั้นแล้วก็จะเสริมันดังขึ้นเรื่อยๆในความมิตรคือปฏิกภาก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอาจจะลืมตัวเพราะว่าความปวดข้อมำม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 บอกกับส เ, เก็ตเงินว่านี่ถ้าเธอจะไปก็เอาบุญกุศลไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉักนกินมันแรงมันอาจจะเล่นงานเธอได้ก็พูดกับส เ, เกตเงินแบบนี้ยเขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาระงับปวดเท่าไหร่เลยทั้งที่ปวดมากนะแต่ว่าอยู่กับมันได้เพราะว่าวางทําใจให้เป็นบวกกับมัน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 ไม่รู้จักอ่าวางให้เป็นเราก็จะยิ่งทุกข์ทรมานอาจจะทุกข์ทรมานกว่าตัวอย่างคนที่พูดมาซิทั้งทั้งที่ไอ้ที่เราเจอนี่มันเบามากแต่พอใจมันต่อต้าแล้วเนี่ยนะไอ้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉนั้นนี้เราต้องวางใจนะพยายามวางใจใเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้สิ่งที่มารบกวน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 นถ้าเรารับมือกับอารมณ์ภายนอกได้ในไอการที่จะรับมือกับอารมณ์ภายในมันก็ทำได้ง่ายแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องจับหลักอีกข้อนึงให้ได้นะคือว่าไม่ส่งจิตออกนอกนะกลับมาตามดูรู้ทันใจข้างในไอตอนที่ได้ยินเสียงดังเสียงพูดคุยหรือว่าแมลงบิน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 เคยกลับมาดูใจหรือเปล่าว่ามันกำลังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นทำไมไม่ถามไ ม, ถม่ถามใจตัวเองว่าถามใจตัวเองว่าเมื่อไหร่จะหยุดบ่นเสทีได้แต่ไปเพ่งหรือส่งจิตออกนอกแล้วก็บน่นพุ่มพําว่าเมื่อไหร่เขาจะหยุดพูดเสที ถ้าคนที่กลับมาดูใจเนี่ยเขาจะไม่บ่นอย่างนั้นแต่เขาจะถามใจเัยว่าทําไมไม่หยุดบ่นเสียทีถ้าคนที่ส่งจิตออกนอกเนี่ยจะเท่าแต่ถามเ่าแต่บ่นว่าทําไมเขาไม่หยุดพูดเสียทีนี่นเป็นวิสัยของคนที่ส่งจิตออกนอกแต่คนที่กลับมาดูใจนี่เขาจะถามไม่ใช่ถามอย่างนั้นนะเขาจะมาถามตัวว่าทําไม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 ที่จะมาเห็นอาการของใจที่มันเป็นลบต่อเสียงเหล่านั้นถ้ากลับมาดูใจนี่มันก็จะรู้ไอ้การรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยนั้นมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่พอไม่พ่อมวแต่สรงจิตออกนอกนั่นแหละไม่กลับมาดูใจของตัวก็เลยถูกความทุกข์นะความเครียด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 ถ้าเราจับหลักไม่ได้เราก็จะไปไปไปเน้นที่รูปแบบหรือว่าพยายามไปเพ่งทำอะไรสารพัดเพื่อที่ควบคุมจิตให้มันดึกฟุ้งซ่านนะซึ่งก็ยิ่งเท่ากับทำให้ความเครียดนี้เพิ่มมากขึ้นนับปฏิบัตินะ ขยันอย่างเดียวไม่พอนะต้องจับหลักให้ได้ด้วยนั่นถ้าจับหลักให้ได้เนี่ยการปฏิบัติมันจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าจับหลักวิชาที่เรียนไม่ได้เนี่ยการเรียนมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเพต้องอาศัยการท่องจําอย่างเดียวยท่องจําตับพืชตัพื้เลยท่องทุกวิชาไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาประวัติศาสตร์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 ที่ว่าชาตินี้เราคงเอาดีทางการปฏิบัติไม่ได้อยากจะศึกหาลาเพศไปพระ เ, เจ้านี่พอรู้ก็เสด็จมาแล้วก็อธิบายโดยประมาผินนะผินสามสายเพราะว่าพระโสนานี่จะก่อนนี่เคยเป็นนักดนตรีลืมบอกว่ามาโสนานี่นะเป็นคนที่เท้านี่นะเป็นพวกสุขุมารชาตชเนะท้านี่เบาบาง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 มันคือมัชิมาปฏิปทานะแต่ว่าอันนี้ที่พระเจ้าแนะนำพระโสนานี่เน้นให้ทำความเพียรแต่พอดีความเพียรในที่นี้หมายถึงการวางใจงั้นพวกเรานี่ถ้าเราจับหลักไม่ได้จับหลักไม่ถูกนะการปฏิบัติมันก็ทำให้มันก็เนินช้าไปแล้วก็อาจจะท้อถอยได้ไง่ายๆเพราะว่า